อยู่ใกล้วัดอาดาบังนะที่มณฑลการซูก็เป็นเขตชุมชนของทิเบตนะมีมีพระรที่เบตเยอะนะที่นี่ก็มีพระประมาณพันห้าร้อยูปก็ก็ถือว่าเยอะมากแต่จริงอาจจะรวมทั้งพระทั้งสามเณรด้วยอาจจะยังไม่รวมสำนักของแม่ชีนะหรือว่าเป็นน้ามาผู้หญิงก็อีกส่วนหนึ่ง ก็อาจจะวันนี้เป็นข้อสังเกตแล้วกันนะเป็นการตั้งข้อสังเกตจากที่ได้ได้ฟังหรือได้รู้ได้ศึกษามาแต่อาจจะยังไม่ครบถ้วนทั้งหมดอาจจะมีความผิดพลาดก็ได้แต่ก็แต่เท่าที่สังเกตบางทีอย่างที่ได้ฟังว่า อ, อ, อย่างในบางวัดหรือบางนิกายที่เขาเน้นเรื่องการศึกษาปริญญาศึกษาปริญญาหลายปนะีแล้วก็ไม่ได้มีการ พูดถึงเรื่องการทำสมาธิหรือว่าการปฏิบททัติธรรมพอเราฟังเราลุกวารู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ที่น่าเสียดายซึ่งถามว่ามันดีหรือเปล่ามันก็ดีในการศึกษาพระสูตรหรือว่าศึกษาคำสัอนจากคัมภีร์หรือว่าการท่องจําได้หรือว่าการรู้ประเพณีพิธีกรรมต่างๆมันก็เป็นสิ่งสิ่งที่ดี แต่แท้จริงแล้วหัวใจของพุทธศาสนาน่าจะเป็นเรื่องของการการได้ฝึกหัดจิตใจหรือว่าการปฏิบัติ ธ, ธรรมให้เข้าถึงความจริงโดยการที่ไม่ใช่เพียงแค่ท่องจำหรือว่าการแค่รู้ทางสมองแต่แท้จริงแล้วพุทธศาสนาท่านเน้นถึงเรื่องการให้เข้าถึงให้เข้าถึงความจริงโดยการเอาตัวของเราเองเนี่ยแหละเข้าไปสู่ในภาพของการ ทดลองหรือว่าได้ได้ทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตรงนั้นน่าจะเป็นแก่นหรือเป็นหัวใจของคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมากกว่าเหมือนยังสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ก็เทศก็สอนนิดๆหน่อยๆนะแต่แต่และบุคคลที่เหลือแล้วบุคคลต่างๆก็ต้องไปปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่ได้เรียนรู้ซึ่ง บางทีมันไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากนะรู้เพียงแค่หลักแล้วก็นําไปปฏิบัตินะมันก็จะเกิดผลนะเหมือนอย่างที่ภาษาเราเรียกว่าปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทนะามส่วนนี้มันมันต้องประกอบกันนะไม่รู้ปริยัติเลยก็ก็ไม่ดีนะแต่แต่เพียงว่าเป็นข้อสังเกตนะบางทีก็รู้มากเกินไปก็ ก็เนิ่นช้าก็มีหรือว่าไม่ทันการก็มีแต่ถ้าเราเอาภาคปฏิบัติเข้ามาประกอบ ด, ด้วยมันก็จะทําให้เราก็เขาสามารถก็ถึงความจริงที่พระอาจารสอนได้ในขนาดนี้เลยหรือไม่ต้องไปรอออกไปเปรียกวิเวกนะต้องไปอยู่ถ้ำต้องไปเก็บตัวหรือว่าต้องไป ปฏิบัติแบบเข้มข้นอย่างเดียวเพราะแท้จริงแล้วถ้าเราศึกษาเรื่องการการมีสติหรือการทําให้เกิดสมาธิจริงๆนะหรือว่าการรู้เท่าทันความจริงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจหรือว่าการที่ไม่หลงกับสิ่งที่ยั่วยวนต่างๆอันนั่นก็เป็นอาการปฏิบัติแล้วเหมือนกันเป็นะปการปฏิบัติที่ให้เกิดสติในทุกวันอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีซึ่ง ถ้าเราไปทำได้นะมันก็จะทำให้การปฏิบัติมันก็อยู่ในชีวิตจริงของเราเองนะเหมือนเราเห็นชาวทิเบตก็ไม่รู้ว่ามันส่วนหนึ่งที่ศึกษาปริยัตนะเขาอาจจะจำได้แต่ภาคปฏิบัติที่เห็นชาวบ้านเขากระทำเช่นการเดินโคโคคาหรือโคลาที่เดินรอบก็เป็นการเดินทำสมาธิการหมุนคงรอ้อ การสวดมนต์มันก็เป็นเรื่องของสมาธิการกราบอหางก็ประดิษฐ์มันก็เป็นเรื่องของสมาธิ่เ ป, เ, ธนะเป็นเรื่องของการสวดหรือว่าเป็นการกระทำมีความเพียนไปที่จริงถ้าเติมเรื่องสติเข้าไปนิดนึงนะ่ะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกายรู้สึกของอารมณ์หรือความคิดที่เกิดขึ้นกับจิตนะมันก็จะเป็นเรื่องที่เขาสามารถเข้าถึงได้ว่าที่จริง ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่าสอนมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องต้อง้อนบอนหรือว่าขอร้องหรือว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะเปลี่ยนแต่เราเข้าถึงอยู่เสมอในการรู้ความจริงของกายที่เปลี่ยนแปลงนะที่เคลื่อนไหวที่บังคับไม่ได้หรือความจริงของจิตใจซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็ตามดูตามรู้มันไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นภาคที่เราได้ภปฏิบัติ เไปด้วยในชีวิตประจําวันซึ่งที่จริงชาชิเบะเขาก็เขาก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการการกระทำนะหรือว่ามีรูปแบบการปฏิบัติหลายๆอย่างนะหลายอย่างถ้าถ้าไม่แยกการปฏิบัติออกไปจากประกันศึกษาปริยัตที่จริงถ้าเอารวมมาเข้าด้วยกันนะรวมเข้าด้วยกันในเรื่องของพิธีกรรมหรือว่ารูปแบบต่างๆที่มันมีอยู่แล้วนะเพื่เติมเข้าไปในการ ใส่ใจในการรู้สึกตัวใส่ใจในการรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจอันนี้มันก็จะทำให้มันครบคู่กับการที่ไม่ต้องเรียนปริยัตให้เป็นหลายสิบปีแล้วค่อยออกไปภาวนาเก็บตัวนิ่งเงียบเถี่ทีเดียวบางทีมันอาจจะที่จริงการคิดว่าการภาวนาคือการที่ต้องปีกวิเวทหรือว่าการที่ต้อง อีกลีดหนีผู้คนหรือว่าการที่ต้องไปทำอย่างต่อเนื่องใน ห, หลายปีนะบางคนไปเป็นสามปีเป็นสิบปีก็มีมันทำให้บางทีคนทั่วไปคิดว่าการภาวนานเป็นเรื่องไก่ตัวมากมเป็นเรื่องของการที่ต้องทำแบบอุ ก, กิจนะหรือต้องเอาจริงเอาจังจนทั้งเรียกว่ามอบกายถวายชีวิตหรือว่าต้องทิ้งทุกสิก่งทุกอย่างออกไป อันนั้นถึงเรียกว่าเป็นการภาวนาหรือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมซึ่งมันอาจจะกลายเป็นเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งก็ได้นะเป็นมิจฉาที่เรียกว่ามันมันเป็นเพียงแค่ทางส่วนน้อยของคนส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งสามารถทำแบบนั้นได้นะหรือเป็นทางสาหรับนัก บ, บวชหรือว่าเป็นทางสาหรับคนที่ต้องทิ้งโลกนะแล้วเอาเอาธรรมะอย่างเดียวนะ มันก็เป็นอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะแต่สำหรับบางคนที่ทำแบบนั้นเขาเข้าใจมันก็อาจจะไม่เป็นไม่เป็นวิชาทฤษฎีเพราะว่าเขาอาจจะรู้แล้วว่าหรือว่าเป็นช่วงที่สมควรหรือเป็นช่วงที่อยากจะปฏิบัติ อ, อุ ก, กิจอันนั้นอาจจะไม่ไม่ได้เป็นทางที่เป็นการสุดตตองหรือว่าเป็นความเห็นที่ผิดไปแต่บางทีบางคนที่ไม่ได้ศึกษาให้ให้ชัดเจนหรือไม่เข้าใจความไม่เข้าใจหลัก ของพุทธศาสนาก็อาจจะออคิดว่าแบบนั้นคือการปฏิบัติธรรมนะคิดแบ่งโลกกับแบ่งธรรมออกกันออกจากกันนะธรรมะกับทางโลกเป็นสิ่งที่เป็นคนจะส่วนกันนะแต่แท้ที่จริงแล้วมันมันเป็นส่วนที่สามารถเชื่อมกันได้นะไม่จาเป็นต้องทิ้งทิ้งโลกแล้วเอาแต่ธรรมอย่างเดียวเนะ่มันก็ถ้าเราสามารถอยู่กับโลกอย่างที่เรียกว่ารู้เททันโลกนะ มีสุขมีทุกข์เกิดขึ้นนะกับกายกับใจเรามีสติคอยรู้ทันอันนั้นก็เรียกว่าเราอยู่อยู่กับโลกอย่างยังไม่ติดโลกแล้วนะเหมือนพระพุทธเจ้าเคยมีนิมิตก่อนที่วันที่จะท่านตัสรูนะ้ท่านมีนิมิตรประการหนึ่งนะที่จริงท่านมีห้ามีนิมิตห้าประการนะมีนิมิตประการหนึ่งท่านนิมิตว่าท่านเดินอยู่บนคู่คู่สืออุจจระนะเดินอยู่บนคู่ แต่คู่ไม่ติดเท้าของท่านนะเรียกว่าเดินอยู่กับความทุกข์ก็ได้นะอยู่กับโรคอยู่กับความทุกข์อยู่กับสิ่งที่เป็นสมมุติอยู่กับกิเลสตัณหาก็ว่าได้นะแต่แต่ใจนะแต่ใจไม่ติดกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วนะใจไม่ติดกับความทุกข์ใจไม่ติดกับกิเลสแล้วก็คืออยู่กับโรคอย่างผู้ที่เรียกว่าพ้นโลกเหนือโลกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเรา เอาพวกนี้ไปเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันเราก็ทำได้นะเราอยู่กับโรคเราก็ไม่หลงโรคนะหรือว่าไม่ไหลไปกับโรคนะหลงหรือไหลก็คือเช่นเราไม่รู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราแล้วก็ไหลไปตามอารมณ์ไหลไปตามความคิดหรือไหลไปตามกระแสของสังคมไหลไปกับการบริโภคนะหรือว่าเรื่องของวัตถุนิยมต่างๆนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ คือการไหลไปกับโลกนะเลยไม่ได้ตระหนักว่าคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งต่างๆมันคืออะไรนะคุณค่าทแท้จริงนะที่เราต้องการคืออะไรลนั่นคือถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะไหลไปกับโลกนะหรือว่าจมไปกับโลกนะก็แล้วแต่ภาษาที่เรียกนะแล้วการที่เราภาวนาเราก็เนะี่ยเราแค่รู้ทันว่าสิใจของเราเราไหลหรือเราจมไปกับ เหนืต่างคนนี้หรือเปล่าถ้าเราไม่ไหลเราไม่หลงเราก็อยู่เหนือโลกได้ไม่จะอยู่เหนือโลกไม่ได้ตลอดแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆเราก็คงอยู่ได้มากขึ้นเหมือนคนก็ที่จมน้ำนะทนที่จมน้าถ้าแม้ว่ายน้ำไม่เป็นแต่ถ้าเขามีความตั้งใจที่จะพ้นออกจากน้ำหรือว่ามีวิธีการที่จะ เหมือนลูกหมาลอยน้ำนะทาลูกหมารอยน้ำเป็นท่าทว่ายน้ำขั้นพื้นฐานนะอก็นะ <rehabilitation. S 2> คือแค่ประคองประคองตัวให้พ้นจากผิวน้ำนิดนึงนะแต่ก็ยังไม่ว่าไปถึงที่ไหนแต่อย่างน้อยก็ทำให้เราไม่จมน้ำตายนะการอยู่กับโ ร, โรคก็เหมือนกันเราก็อยู่กับสุ ก, กับทุกอยู่กับโรคกระทาต่างๆนะอ่าอยู่กับความวุ่นวายต่างๆของโรคหรือว่าบางทีก็มีความสงบเกิดขึ้นอยู่นะ แต่เราก็อยู่อย่างที่รู้เท่าทันก็คือเราอยู่กับโลกยังไม่จมกับโลกมากนะมีที่พักชองใจนะหรือว่ารู้เท่าทันกายใจอยู่บ่อยๆก็ออกจะกกิเลสออกจากตันหาได้บ่อยๆเหมือนกันอันนั้นก็เหมือนคล้ายๆเราก็ลอยคอนะลอยคอได้แม่ตัวแม่ใจยังไม่ถึงฝั่งนะยังไม่ถึงที่ปลอดภัยแต่อย่าง้อยยังไม่จมไม่ตายไปนะแต่เมื่อใดที่เราทําบ่อยๆนะเราลอย เหนื่อโลกได้เบ่อยๆเราออกจากความทุกข์ได้ไบ่อยๆนะสุดท้ายเดี๋ยวเราก็มีวากำลังเข้มแข็งขึ้นหรือ ม, มีเทคนิคมีสติปัญญามากขึ้นเราก็สามารถไหว้นะจากกลางน้ำก็ไปสู่ฝั่งได้ก็เหมือนกับว่าเราพอจะจับหลักของการภาวนาแล้วก็ฝึกไ ป, ไ ป, ไปบ่อยๆนะแล้วก็ค่อยๆเดินทางนะตามมรรคตามผลไปเรื่อยๆนะแล้วก็ เข้าถึงความ้นทุกข์ได้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ที่พวกเราสามารถทำได้ถ้าเราสามารถเอาการปฏิบัติธรรมเข้าไปสู่ในชีวิตประจำวันนะไม่จะเป็นรูปแบบของการภาวนาที่ที่มันมีอยู่แล้วในนิกายต่างๆในวัดต่างๆก็ดีหรือว่าเราก็เอาชีวิตจริงของเราเนี่แหละเป็นที่ตั้งแล้วก็อาศัยการภาวนาเข้าไปประยุกนะการภาวนาคือการรู้เท่าทัน กายใจหรือว่าการอยู่กับปัจจุบันรู้เท่าทันปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับใครกับใจตรงนั้นแหละนะหรือว่าการที่เรียกว่าไม่จมไม่ไหลไปกับโลกทรงนั้นแหละก็คือการภาวนาถ้าเราเอาตรงเนี้ยเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราจะเป็นการภาวนาในรูปแบบก็ดีหรือว่าการภาวนานอกรูปแบบก็ดีอันเนี้ยมันจะทําให้เราอยู่กับโลกนะได้ยามไม่จมโลกแล้วก็เออก็เห็นเห็นสุขเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้ น, นแต่เราก็ศึกษาอ่า พิธีกรรมหรือรูปแบบของคนอื่นไว้นะก็เอาเผื่อเอามาไปยุกใช้ได้หรือบางทีก็เกิดการอนุโมทนาการชื่นชมก็เป็นสิ่งสิ่งที่ดีอันไหนยังไม่เข้าใจก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆทาไปแต่ที่ทีพูดนี่วันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเป็นการสรุปว่าเขาเป็นแบบนั้นนะเป็นเพียงแค่เป็นเพียงแค่ข้อสังเกตนะข้อสังเกตจากการที่ ยังไม่ไศึกษาอย่า ง, งแจมแจ้งในในนิสัยของเขาที่มีความแตกต่างในรูปแบบหรือว่าคํา ส, สอนที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างแต่ก็เป็นการรู้แค่เพียงแค่บางส่วนไม่ใช่เป็นข้อสรุปแต่เป็นการแค่ตั้งข้อสังเกตนะตั้งข้อสังเกตแต่ถ้าก็แต่เป็นข้อสังเกตในแง่ของการที่เราเอามาใช้กับตัวของเราเองใช่ไหมไม่ใช่ข้อสังเกตในการไป ไปวิาพากษ์วิจารณ์เขาหลักนะก็เป็นเพียงแค่เราเอามาใช้กับตัวของเราเองถ้าทุกคนเอามาใช้แบบนี้ได้ก็ก็แค่สริมเสริมกันไปนะเป็นการเสริมรูปแบบนะหรือเสริมศรัทธาเสริมความเพียร น, นะเสริมปัญญาให้เกิดขึ้นกับกายกับใจของเราเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ที่ทำให้เราเดินเข้าใกล้นะเข้าใกล้ฟังมากขึ้นเนาะเพราะ ก, ก็ตั้งข้อสังเกตหรือว่าพูดคุยกัน นิดๆหน่อยๆนะ